สิเออกาทศกวาระวาระว่าด้วยหมวดสิบเอ็อบุคคลที่ยังไม่ได้อุปสมบทไม่พึงให้อุปสมบทมีสิบเอ็ดจพวกที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสียเขียงเท้าไม่ควรมีสิอชนิดบาทไม่สมควรมี11ชนิดจีวรไม่สมควร มี11ชนิดสิกขาบทเป็นยาวะตติยกะมี11พึงถามอันตรายิกธรรม11อย่างของภิกษุณีจีวรควรอธิษฐานมี11จีวรไม่ควรวิกัปมี11จีวร1 1ชนิดเป็นนิสขีเมื่ออรุณขึ้นลูกดุมที่สมควรมี11ชนิดลูกทวิน ที่สมควรมี11ชนิดดินไม่สมควรมี11อดินที่สมควรมีอการระงับนิสัยมี11บอบุคคลไม่ควรไหวมี11อสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมี11อขอพร11ประการสีมามีโทษ11ออย่างบุคคลผู้ด่าบริพาศ ต้องได้รับโทษส1บอดอย่างเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานพาหณะแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารพดีแล้วพึงหวังอานิสงสิบอประการคือหนึ่งหลับเป็นสุขสองตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายรักษา 7. ไฟยาพิษหรือสัตว์รากล่ำกลายบุคคลนั้นไม่ได้ 8. จิตตั้งมั่นได้เร็ว 9. สีหน้าสดใสสิ ไม่หลงลืมสติตายสิบเอ็ดเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งขึ้นไปย่อมเข้าถึงพรหมโลกเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานพาหะแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ิบเอ็ดประการนี้แหละเอกาทสกวาระจบ